เกตนาสองโลกยะเจตนาโลภุตระเจตนาโลภุตระเจตนาเจตนาขวางเพื่อคนทุกในิวรตาสงสารโลกีเกตนาก็อทำตามธรรมดาทำสองโลกีธรรมทำอันเป็นเวสัยของโลกโลภุตระทำอันพ้นเวสัยของโลกทำสองคืออะไรบ้างโลกีทำโลภุตระรม โลกุตรธรรมหมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปโลกุตรธาตุก็หมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปโลกุตรขันก็หมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปโลกุตรจิตก็หมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปโลกุตรเจตนาก็หมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปโลกุตระธาตุก็เหมือนกัน โลกุตระอินทรีย์ก็เหมือนกันอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ในความศรัทธาโลกุตระศรัทธาก็เหมือนกันก็หมายเอาแต่พระสวัสดิบเป็นต้นไปพระสวัสดิบาลมีภูมิอย่างไรบ้างไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดอบายามุขไม่ใช่ได้อยากจะอยู่ยงคงกรัณฑ์ถืออยู่ยงคงกระพันเสียศยาศาสตร์ไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใด ไม่เสียดายอยาจะบค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ข่าขายสัตว์เป็นเรื่องสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในจิตใจของพระโสดาบันเลยจะเดินจยกมภาวนาตลอดรุ่งตลอดข้ากวาตาม ถ้าเสียดายร้องละเมิดสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็ไม่ใช่สุภเจปนโอก็เป็นโลกีบุญก็ได้บุญเหมือนกันแต่ไม่ได้มากว่าโลกุตระบุญบุญของพระวาดาวันเป็นบุญเที่บาลหน้าไปสู่พระนิพพานไม่แวะซ้ายแวะขวาไม่วนเวียนบุญของโลกีเป็นบุญวนรวมนเวียนถ้ามดบุญแล้วก็ไปหาบาปถ้ามดบาปแล้วก็มาหาบุญวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่ได้อาไม่รอด บุญพระสวัสดบิบาบุญบานหน้าไปสู่อรหัตธรรมก็ออกไปสู่อนาคานีก็ไปเต็มบุญอยู่ที่นั้นพอถึงอรหัตธรรมพอถึงอรหัตผลก็เนื้อบาปเนื้อบุญไปเสียแล้วบุญพระสวัสดบิบาเป็นบุญที่ล่าวัตถุนิยมไปด้วยและอารมณ์ขติไปด้วยกัน เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิเป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเป็นพ ร, รมสมบัติเต็มภูมิเป็นนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วบุญภสดาวันเป็นบุญรุดหน้าไปถึงพระอนาคามิไม่ถอยหลังเลยความดีคนดีทำดํำในง่ายความดีคนชั่วทำํำในยากความชั่วคนดีทำดํำในยากความชั่วคนชั่วทํำในง่ายความดีคนดีทำดํำในง่ายก็ตรงกันข้าม ไม่หนักใจเลยสิงไหนไม่เสียดายโลละเมิดสิ่งนั่นก็ไม่หนักใจทําไมจึงไม่เสียดายโลละเมิดเพราะเห็นว่ามันเป็นทางชิบหายหน้าเดียวดิ่งเช่นอรไหยามุขเข้าใจชัดด้วยสัมมาทศิติอันเห็นชอบว่ามันเป็นอบาหยามุขมันเป็นทางชิบหายดิ่งหน้าเดียวไม่มีศารโอทอร์เหตุนั้นจึงไม่เสียดายโลละเมิดเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรม ไม่เสียดายายาถือศาสนาอื่นไม่ไม่เสียดายจะสงสัยพระพุทธศาสนาเลยไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสักกายทิฏฐิวิกิจิขาไม่สงสัยในพระพุทธศ า, าสนาศียัพัตปรามากไม่สงสัยในสินห่าเลยคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นคาสอนโลกทางปวง ชาวโลกทั้งพวงตั้งกฎหมายกดหมูกดพักกดพวกไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาะไม่ลดตําแหน่งกิเลสเลยดึงเข้าข้างกิเลสของพรรคของพวกของตัวมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันถ้าชาวโลกมีเสียงท่าบริบูรณ์ถือรัติพระรัติพระพุทธศาสนาะอันเดียวกันอย่างนี้สงครามก็ไม่มีโทษรวนก็ไม่มี ขายของก็ไม่ต้องเฝ้าคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่มีโรค ก, ก็สงบนอนก็ไม่สะดุ้งขวาพระไม่มีเวรอยู่รอบข้าพระพุทธศาสนามีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัตินิพพานสมบัติบริบูรณแล้วไม่บกพร่องเลยเป็นแวน่นเป็นกระจกเงาของชาวพุทธของชาวโลกแล้วแต่ชาวโลกจะเคารพหรือไม่เคารพมันก็ขึ้นอยู่กับชาวโลก กรรมและผลของกรรมไม่มีเราเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนี่กรรมและผลของกรรมมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาไม่ลดตำแหน่งเลยคดีดําคดีแดงในโรงรับสารชาวโรกจะตัดสินเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามเถิดไม่เป็นปัญหาเลยผลของกรรมจะสังขารยาอยู่ข้างหลังมีอยู่ ผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์ไปรอดไหมมันก็ไปไม่รอดเพราะผลของกรรมมอยู่เราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกันผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้เชื่อพระพุทธศาสนาเราดีๆนี่ก็คือผู้เชื่อสมรรถภาพของตนที่ทําดีนั่นเองพยายามละชั่วนั่นเองผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้จะพยายามละกรรมชั่วจะประพฤติแต่กรรมดี เป็นผู้มีที่พึ่งแล้วผู้ที่ไม่เชื่อกรรมแล้วคนของกรรมเป็นผู้ที่ไม่มีเป็นผู้ที่ไม่มีที่พึ่งยังกินขี้รัตตานังโลเกวิจติวิทังพุทธรัตตานังพุทธัตะมังนาถิตัตมาโททะโสเทปวันโตเตรัตตนะันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยพุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ดวงใจของผู้ถือนั่นเอง รวมกันอยู่พุโทโธไปเผู้ละบาบปบำเพ็ญบุญธรรมโมทรงไว้ซึ่งละบาบปบำเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อละบาบปบำเพ็ญบุญตกลงพุโทโธธโมสังโฆเขาอยู่ที่แห่งเดียวกันคือใจผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสตแล้วปู่ลูกปู่ลูกปู่ไล่ผีออกให้ด้วยผีก็ไล่ออกจากไกล พี่ไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวไม่ไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นสุตกิเลสไม่มีแก่พระทหารราคะโทสะไม่มีแก่พระอนาคามีความสงสัยในพุทธศาสนาไม่มีในพระโสดาบันนั่นทำคำสอนของพุทธศาสนาแต่ละบทระบาทมันส่งต่อพระนิพพานหมดมันเป็นโลกุตระคําสอน ชาวลอกทั้งหลายไม่มองดูคาสอนพระพุทธศาสนาะมันก็ออกไปไม่รอดพวกผู้แทน<ม>อุบลออกสักสกลนครมาเยี่ยมแล้วก็พูดกับเขาว่าผู้แทนคนหนึ่งท่านเป็นผู้แทนเป็นผู้ตั้งกฎหมายมทีนี้พวกท่านทำไ ม, มจึงไม่ยืนยัน ตั้งกฎหมายสักข้อบ้ า, าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติประจำชาติไทยอย่างนี้ทำไมท่านพวกท่านจึงไม่อานฐานทำไมสักข้อบ้าแช่รอยพวกท่านจะบีดเบือนพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่เราพูดไม่เป็นอย่างนั่นหรอกครับกำลังเถียงกันอยู่เขาพูดไม่เป็นอย่างนั่นหรอกจะมาหาเสียงสมบัติทาไมเราพูดอย่างนี้ จะมาหาคะแนนเสียงท่านนั้นท่านนี้ยังไงก็ถือกันมาแต่โบราณเนี่ยจะมาหาเสียงทายําไมก็ลงเอ่ยอยู่กับผู้แทนเนี่ยจะมาหาเสียงทางนอกอีกทาําไมก็เอาผู้แทนไปแทนพวกทางนอกแล้วจะมาเถียงหาจดหาอะไรสมบัติอะไรบ้าจริงๆอ่ะพูดมาอย่างนี้เอาผู้แทนไปแทนเนี่ยก็พวกผู้แทนที่ดีกันนก็ลงเท่านั้นถ้าอย่างนั้นกฎหมายทุกๆกฎหมายทําไมจึงไม่มาถามนั่น ถ้ากฎหมายที่จะลงเอาศาสนาพุทธเนี่ยก็ยังจะมาหาเสียงออกข้างนอกอีกอยกบ้าจริงเราพูดอย่างนี้เราถ้าอย่างนั้นผู้แทนตั้งไว้ทาไมเราก็พูดอย่างนี้อืนี่พูด่าหาเสียงเอาไปให้เขาเขียนผู้ขี้เกียจก็ไปเอาไปให้เขาเขียนซะอืไม่รู้ว่าเกงจะผิดใครเราพูดเท่านั้นก็เกงจะผิดโลกก็โู้มากจะตายเราพูดอย่างนั้นเนาะ พูดว่าพระพุทธศาสานาเป็นศาสนาประจำชาติเจ้าก็แกงจะพิดโลกก็บ้าจริงๆเราพูดว่าอย่าง น, นั้นหรอกนี่พูดในแบบนี้แล้วก็โมโหขึ้นนีเราไม่มีอิสระเสียเลยแกงจะพิชชาวโลกโมโหเรากิเลสมากเราไม่มีอิสระเสียเลยนะ ไม่มีอิสระทางพระพุทธศาสนาเกรนจะเพี้ยใครแล้วก็เขียนหน่อยก็ปู่ย่าตาทวดของเรานับถือมาแล้วองสมเด็จพระบรมราชาองค์ไหนที่ไม่รับถือพระพุทธศาสนาไม่มีเลยมันก็มีหลักอยู่แล้วจะไปหาเสียงที่ไหนอีกบ้านริงเก่งเราคูดอย่างนี้เราไม่เป็นว่าด้วย จะไม่มีใครรับถือหมดโลกก็ตามก็ตามเราจะนับถือคนเดียวพระพุทธศาสนาแม้จะตายอีกเมื่อก่อนเม่อที่เพศชายเนี่ยชอบมหาสมุด ร, ร้อยโกรธมหาสมุดเราก็จะนับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วพูดเท่านั้นจะเก่งผิดชาวโลกก็บ้าเก่งๆเราพูดหย่างนี้ไม่มีอิสระเสียเลยพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิ สวรร์สมบัติเต็มภูมิผู้ใดเล่น so อบายมุกผู้นั่นทําลายวัตถุนิยมและอรรมคติมีน้ำซํำอบายมุกก็ส่งเสริมก็มีแต่พระเครดก็รัดไม่ช่วยเปิดอบายมุกบ้าจริงจริงถึงจะหยุดไม่ได้ก็เกียดกัการว่า ให้ทําตามอําเภอใจมากมีน้าซ้ําได้ทราบข่าวว่าจะมาเอาทุ่งกุลาเนี่ยเป็นโรงการพานันทุ่งกุลาร่องให้มันก็จะไม่ร่องให้แต่กุลาแล้วก็คนไทยก็จะร่องให้จีนก็จะร่องให้แล้วก็คนภาอีสานก็จะร่องให้เขาเขาจะเอาไปหมดหไง ไปหลอกให้เขามาเอาทรัพย์หนี้จากประเทศเราลองดูดูเราลอกไปเล่นกับเขาอยู่ประเทศนอกก็ยังไม่ได้หาบมามีแต่เอาไปให้เขาเออพระพุทธเจ้าองค์ไหนบอกว่าการพนันเป็นของเจริญไม่มีทําลายวัตถุนิยมและอุดมคติด้วยการพนันทุกประเภทก็ทําลายเช่นท่าอีกเช่นด้วย<ม>ก็ทําลายเชืใจของมนุษย์อีกเช่นด้วยทุกวันนี้ ม, นมันวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี่ก็อาบายยมุกก็คืออบายยมุกก็เป็นไฟเผาโลกจริงๆนี่เองนั่นถ้าชาวโลกมีศีลนาบิบูรณ์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโทษตุรนก็ไม่ต้องมีใช่หรือไม่นั่นทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโรกสองอยาความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ ไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณูพราะอโลกเพราะพุทธิการองใหนก็มายืนยันอันนี้อยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาแล้วตั้งแต่ ก, กฎหมายแม่รถตตธรรนกิเลสมันก็ไม่อยู่อีพ่ออีแม่เ อ, อ๋ยเนี่ย ตำแหน่งกิเลสไม่ลดเลยตั้งแต่กฎหมายขึ้นตั้งระล่านมันก็ไม่อยู่เหตุนั้นจึงปฏิบัติธรรมะทําไมจึงอาบน้ําเพราะร่างกายมันโกโครกทําไมจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันโกโครกนั่นนั่ น, น, นผู้บาลมีแก่กล้ามาแล้วอุปสรรคเป็นญาเวเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายโลกผู้ไม่ยินดีในโลกทังก้งปวงผู้นั่นบาลามีแก่กล้ามาแล้ว ขามาไมีแก่กล้ามาแล้วเขาย่อมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาประจําใจเขาพวกนั้นอดีตคืออะไรคืออนิจจังที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออนิจจังที่ยังม่มาถึงปัจจุบันคืออนิจจังที่กําลังเป็นอยู่ได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย เห็นอันนี้การคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นสังขารรอบหนึ่งแล้วก็ไม่สงสัยในสังขารต่างปวงด้วยอืมก็เบื่อนายความหลงของตนที่เคยหลงมาที่เคยเข้าใจผิดหลงมาว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของตัวตนเป็นของสวยของงามเอ้าเราเนึกคิดอยู่ แต่แล้ ว, วัตรบาด ก, ก็ล่วงไปแล้วนั่นคืออนิจจังแล้วพูดออกมาเป็นคำคำเดี๋ยวนี้ก็ล่วงไปล่วงไปใช่หรือไม่แล้วนึกขึ้นเดี๋ยวนี้นึกแล้วก็พูดออกมาก็ล่วงไปล่วงไปใช่ไหมนี่คืออนิจจังอันละเอียดนะถ้าอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเห็นอนิจจังชัดแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดังกิจิสมุทัยธรร ม, มันสัพพตังนิโรธาธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับสูนเป็นธรรมดาสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็ดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงซะจงปฏิบัติตามเป็นจริงซะจงลุดพ้นตากจากความหลงของตนตามเปนจริงซะนั่นคือตัวศีลชั้นสูง ตัวสมาธิชั้นสูงตัวปัญญาชั้นสูงกลมกลืนกันอยู่ทำชั้นสูงอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้รู้ที่ยังมามาถึงปัจจุบันคืออะไรคือผู้รู้ที่กำลังเป็นอยู่นี่ย่นลงมาหากิจแล้วย่นลงมาเป็นเอกนิบาตแล้วเรารู้อดีตตามาปจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามไปจริงของอนาคต เรารู้ปัจจุบันตามมป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามพระบรมสารนาราเรารู้พาะในพานตามเปจริงของพาะในพานเรารู้สังขารตามเปนจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองทำายเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับอยู่ห้าระหว่างไม่ได้ไม่มีวันทิศวันเสาร์วันไม่มีวันจันทร์อังคารพุธศตวรรษศุกร์เสาร์เลยทำไฟไม่เกิดไม่ดับ ก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่หาทวารไม่ได้ข้าพเจ้ารู้ตามเป็นจริงทั้งสองเงื่อนข้าพเจ้าก็เลยไม่ติดอยู่ในทั้งสองเงื่อนพระบรมศาราถ้าเราอยู่ติดข้าพเจ้าติดอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็เรียกว่าข้าพเจ้ายังข้ามความหลงของตนไม่ได้พระเจ้าหาสติพระมหาปัญญาของข้าพเจ้าเหนือความหลงของข้าพเจ้าไปแล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากความหลงไปสักพระบรมศาสดาใครจะเป็นผู้หาความ สุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นก็พระหัน์จำพวกเดียวหาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ประมาเห็นเหตุนั้นจึงยอมชนะความหลงของตนไปตักชนะก็ชนะความหลงของตนแพ้ก็แพ้ความหลงของตนชนะก็ชนะกันอยู่ที่นี้แพ้ก็แพ้กันอยู่ที่นี้ชนะภายนอกไม่มีในพระพุทธศาสนาเลยแต่ชาวโลกเอามาใช่กันก็มีแต่เวนสนองเวนภัยสนองภัยอยู่นั่นเอง ทำชั้นสูงไปอาบน้ำที่นี่ให้เห็นอันนี้จังทุกครั้งอันาตายเพราะกำลมให้ใจเขาออกอยูเป็นตาสักว่าลูกเป็นแต่สักว่าเห็นไม่ยึดถือผู้ลูกผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอัตตาวาทุตุปาทานก็แสก็เจออุปทานทั้งสี่กาโมปาทานถือมันในกาลทิฏุปาทานถือมันในทิฏฐิสีตะพตุปา ท, ทานถือมันในสินพรต อัตวาทุปาทานถือวันวะพระว่าตนชนะอัตวาทุปาทานและอุปท า, านทั้งหลกกายก็แตก่ก็เจอไปหมดไม่ต้องเรียงปฏิจจสมุ ป, ปบาทก็ได้อวิชาดับสังขารดับเวีนญาดับนามโลกดับไม่ต้องเรียงก็ได้ที่พระองค์ท่านเรียงก็เรียงเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดและให้สมภูมิพระองค์ด้วยปฏิจจสมุ ป, ปบาทอุปมาเนี่ยเนี่ยรักร อ, อยู่นี่ วิชาดับสังขารดับเวียนานดับนามรูปดับอายตนะดับภัทะเวทนาตัณหาอุปทานพบธ า, า, บาติเจรามรตะพสภเจทุกโรมนตุปาญาตดับอันนี้ท่านเรียงเพื่อให้เข้าใจดอัมเชือกขูคออยู่อย่างนี้ตัดปลอกในปลอกหนึ่งออกมันก็ไปได้ เ, ย เ, ยเลยอะารสินี่ปไปสิเนี่เดี๋ยวจะไม่ได้อาน้า ที่นี่ตั้งใจภาวนาเนอะนอนภาวนาเนอวันนี้เนอะมันเหนื่อยเนอะนอนตะแกร ง, งข้างขวาต้องการตอนนี้ก็ทางรัฐก็ไม่ยอมรับคถ้าใครไม่ยอมรับทางสภาไม่ยอมรับเพราะมีความประสงค์อะไรถึงไม่ยอมรับมีเหตุผลเป็นยังไงจึงไม่ยอมรับเขาในเรื่องสืบิบอกว่าอบอกว่าในรัฐธรรมนูญมีคําว่า พระมหากษัตริย์เป็นพุทธมาม ก, กะอยู่แล้วเลยไม่ยอมไม่ยอมเพิ่มคําว่ า, พ, พ, า, าวพระพุทธศาสนาเป็นเประประจําชาติก็เอาควบกันพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์เป็นของประจําชาติไทยมาเราควบกันถ้าเป็นข้อเดียวครับผมก็ผมเห็นอย่างในพระคนะครับแต่ว่าทั้งนลไม่ยอมไม่ทราบพระครูอะไรก็ไม่ยอมก็เพ่งเาเพราะจะบิดเบือนเอาพระพุทธศาสนาออกหรอว มีการบิดเบือนในอนาคตคถูกต้องหมผมก็คิดอยู่เหมือนกัน<ะ>ผมก็คิดอยู่เหมือนกันครับถูกร0 0ยเปอร์ซทำไมไม่เห็นมันจะน่าอะไรเพราะว่าทางสภาสัางคนสักกาะเขาก็บอกว่ า, าผู้แทนของอิสลามคุณหญิงแสงคุณหญิงแสงดาวก็บอกว่าไ ม, ไม่ขคัดขอ้อไม่เป็นไรเพราะว่าก็าเธอไมที่ไม่ยอมผู้แทนที่ไม่ยอม เหตุใดจึงไม่ยอมไม่รู้คิดยังไงกลัวจะกลัวอะไรผู้ไม่ยอมก็ไม่ควรเป็นผู้แทนออกซะก็ควายเขาจริงคนไทยที่ชาพูทธควรจะคิดอย่งนีผู้ไม่ยอมก็ควรลาออกไม่ควรเป็นให้ผู้อื่นเขาเป็นสัมูลมนต์หกของพระพุทธมูลมนดกด้าน อุรมคติก็คือพระพุทธศาสนาเท่านั้นถูกไหมคือจิตใจและพระพุทธศาสนามูลมรดกในรานอุดมคติของประเทศเราจะไปกลัวทำไมกลัวผิดยังไงถ้าถ้าไราบข่าวแล้วพ่อคือว่าพวกผู้แทนที่เห็นนักวิทยาการนะพ่อก็อ้างว่าถ้าเผื่อว่าบรรจุ คำว่าพระพุทศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแห่งประเทศของประเทศไทยแล้วจะมีปัญหากับศาสนาอื่นมีการรบราคาพันในเรื่องรัที่ศาสนาเขาพูว่อย่างนั้นเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะนี่นักวิชาการเขาว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอยู่กันมาหลายร้อยปีแล้วไม่มีปัญหาเรื่องลัที่ศาสนาเลยเราก็รู้ว่าศาสนาอื่นถือครียดอยู่ไม่ใช่เราไม่รู้ทําไมไม่เป็นปัญหากันนักไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่า ศาสนาอื่นไม่มีก็มีทัองไปเราไม่ได้เห็นไปเบียดเบียนใครเป็นก็อ้างของเขที่ไม่มันอยู่ลงไปก็อ้างว่าอย่างนี้ชนะาวิานะอ้างไม่สมเหตุสมผลอ้างท่านั้นก็อ้างไม่ได้ถ้าอย่างนั้นหนังสือพระตไตรปิฎกก็ไปลบเ้่งซะ ังกิจิและรัตน์รอเกอไมช่สิวิธางพุทธุรัตนงพุทธสมังนาจิตตสมมาโสเทียวพนโตเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยก็มีในพระไตรเพรกถ้าอย่างนั้นก็ไปเผาไฟทิ้งซะพระไตรเพรกนัตที่มีรังนันอนยังรัตะอื่นของเราไม่มีพระพุทธท่รสงฆ์เท่านั้นเป็นสระอันปิดเของข้าพเจ้าก็อย่าไปยืนยันมันผิดถ้าอย่างนั้นพี่ที่ลงชื่อไป้สึกจะเป็นล่างกว่านะถูกไหทั้งหมด พระไตรปิฎ ก, กมีอยู่เนี่ยแล้กว ก, กว็บัญญัติตามพระไตรปิฎกเพระพุทธศาสนาเพ ร, ะราะพุทธศาสนาไปจําโลกเราจะไปยืนยันอย่างไม่ยืนยันอย่างนั้นก็จะไปเพิดเพลิมพระบรมศาล า, าสร้างบารมีมาก็ทุกๆพระองค์ก็เพื่อประโยชน์สามอย่างเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพุทธะจริย์ญาติจริยา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติโลตะถะจริยาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกพุทธจริยาสามเอแล้วจะไปยืนยันศาสนาพุทธ ตาชนาแล้วเลยผิดเพียนเป็นความเกรงใจกลัวว่าเขาจะไม่ได้รับการปกป้ อ, องรักษาที่จะอยู่ในประเทศไทยคนะก็เลยออกความคิดขึ้นไปว่าเดี๋ยวศัส น, นาเอีกวัน น, นี้นักบญศาสนาเกิอยากคิดอย่างไรก็จะให้ความเห็นนีิกันออกมาตัวที่ฉันรู้ว่ามันจะเป็นเพราะเรื่องของการเมืองมากกว่า แต่ผู้ทั่วไปคนที่พูดนองนี้จะขัดจะบอกว่าจะบอกว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นจยากว่าอย่างไรอยากจะให้หลวงู่ช่วยแก้ความคนี้ว่าที่ถูกควรจะเป็นอย่างก็เรื่องของใครของมันเราก็ไม่ได้ตั้งให้ทั่วโลกแล้วก็ตั้งเฉพาะประเทศไทยของเราเราก็ไม่ได้วางค่าพระโลกมาเลื่อมใสนับถือ แล้วก็พูดแต่ประเทศไทยของเรานะเพราะไม่ใช่กฎหมายโลกกฎหมายทำกฎหมายอระหว่างประเทศของเราไม่ใช่กฎหมายโลกที่นักศึกษาในประเทศไทยจ ะ, จะคิดอย่างไรถ้าบอกว่าอาก่งเองเป็นคนออกความเห็นว่าไก่งใหญ่เขาถ้าอย่างนั้นก็ถูกกยแต่ว่าก็ถูกรยู่ถ้าอย่างนั้นก็ถูกเพราะเก่งจะกระทบกระเทือนเขา อย่างนั้นหรือ อ, อ, อ, อจะ ก, กระทบกระเทือนทาไมใครต้องการถืออะไรก็ไม่มีศาสนาบังคับนะแต่ว่าเราพูดไ้เป็นมิ่งขวัญของเราเฉยๆอันนี้มิ่งขวัญของชาวไทยเฉยๆเราพูดไปมิ่งขวัญของของชาวไทยถ้าอย่างนั้นพูดที่เขาถือว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาทำไมไม่เก่งเราคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเว่าอย่างนั้น คุณภูณมิ า, าการาคุณพระพุทธศาสานาใม่มเขาเขาก็ยืนยันว่าศาสนาอื่นเขาก็กยืนยันว่าพระสมานพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของเขาอีกเสียด้วยเขาทำไมไม่กลัวเรานี่ถูกไม้มครับ อ, อันนี้ผมขอยืนยันปรเด็นขอคุณด้วยครับเพราะว่าผมได้ฟังมาแบบนี้เหมือนกันที่จ น, นว่าว่า พระุณเจ้าเนี่ยเขาพระเจ้าเขาเขาส่งลงมาอยกันันเรายังไม่ว่าอะไรเขาว่าพระเป็นเจ้าเขาส่งของพระในเจ้าชาตนธ์ฐานพระเจ้าเราถึงมาโ่โลกน่นว่าอะไรกันของพระเป็นเจ้านะครับพระเป็นเจ้ารู้ว่าชื่อว่าอะไรรับแต่ที่พระเดชสกุณว่าี้เหมเขาพูดถึงขนาดนั้นแล้วเราก็ยังไปเกรงใจเขาอยู่ว่าจริง เราก็คิดขเจใจมากเลย็บแทนก็เกิดการแล้วก็ไปดูแเยไปอนที่อที่เหียบเหยวกอไไปด้วยด้วยด้วยทุก่าดวแล้วก็แม่จจงากัดห้ลุยก็ไม่ยอมทีแมบอกไปไหนมคอ แต่ละวงเคต่วนเดียวกัเหมือนกันหลายปาร์เรลาร์เราเพื่อนเจอมันเกิดกันจะไล่ปาร์รลานะแต่ตอนผม่าี้เป็นคนทำใ้เด็กเรานยผมก็บอกว่าเด็กๆใส่เป็ใครเปกนไม่รู้ใจอนเดกตอนผมบอกว่าปารที้าคาทไหร่แลอนต้องใ่เป็ร แต่แต่ก็ไม่เอาำมำเป็นปัญหาเหรอไม่เอาก็ไม่เป็นปัญหาเอาผู้เพราะเราก็เชื่อสมัตรภาพว่าหมดไตเราก็ท่านจะไปลบ พายพระพุทธศาสนาไม่มีมันก็ลบไม่ได้เพราะเป็นกองทัพน้หลายพวดเคลื่อนฟ้าแต่โลกธาตุเนี่ยจะไปลบกรรมและผลของกรรมก็ลบไม่ได้ใครทําดีก็ได้ดีอยู่ตามเดิมจะถือรัติใดๆก็ตามกรรมและผลของกรรมก็ตามสนองอยู่เชื่ อ, อนี่ถูกไห ม, มถูกไหมกรรมและผลของกรรมก็ตามสนองเป็นสังขายนายอยู่ใครเหยียบไฟไฟก็สังขายานายให้อยู่แล้วไฟก็ตัดสินให้อยู่แล้ว ใครเดี่น้าแข็งหน้าแข็งก็รู้จักรถเย็นอยู่แล้วรู้จักเย็นอยู่ศาสนาล่วงไปเท่านั้นเท่านีานน้เผ็ดก็ไม่เผ็ดเค็มก็ไม่เค็มเปรี้ยวก็ไม่เ ป, เปรี้ยวไม่มีไฟก็รอดอยู่ตามเดิมเราเชื่อแน่พระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนให้เบียดเบียนแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เบียดเบียน่ะ เพราะพุทธศาสานาให้เป็นสันทิษที่โกให้เห็นเองให้เลื่อมใสเองไม่ได้บังคับศาสนาอื่นๆก็เหมือนกันการบังคับให้นับถือศาสนาใดๆก็ไม่มีในกฎหมายของโลกที่นี่ถึงพูดอย่างนั้นแล้วใครอยากจะเลื่อมใสศาสนาไหนมันก็เลื่อมใสได้ไม่ใช่ว่ามันเลื่อมใสไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเขาอ ย, อยู่กับผู้เลื่อมใสพวกไทพวก อยากพูดก็พูดแทเนี่ยกูไม่เดื่อาใส่กับมึง mm. ก็ได้เแต่เขาเราก็ไม่ได้รบกวนเขา <c oughs> ถูกไห ม, มพูดไรก็ไม่พอที่จะผิดพวกนั้นไม่ไ ม, ไ ม, มานับถือเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คบเราก็คบอยู่พวกถือผีเราก็ยังคบอยู่ทุกวันเนีไงแล้กวก็นี่ใสของเขาแต่ถือศาสนาเดียวกันผู้ถือของรางของขลังมันก็มีอยู่แต่นี่กลายกันไปผู้คนุกแห ง, งแล้วเนี่ย มันมีตั้งร้อยนี้กายแล้วเนี่ยในประเทศไทยแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้บังคับตอนนี้แต่ขอยืนยันว้าจะเพียงเท่านั้นเท่านั้นจะไม่ได้หดอกหรือว่าอย่างนั้นดอกเพราะว่าเป็นเมืงขวัญคําพูดเท่านั้นพอเป็นเมืงขวัญของชาวโรคไว่ถึงอย่างนั้นพระพุทธรูปก็ฝังอยู่ที่ดินลึกๆขุดพบอยู่บ่อยๆนัน่นเป็นพยายามรู้ไม้ม ก็มีารทินาอาจารย์นันอันศาสนาของเราา่วยันั้นรกเจ้าองเียพอก่ก็มีามดใช่ไหมนีเราเราก็เื่อเาเือเาตนแคเราทไอย่างนั้นึงตั้งไก็ตามผู้ที่ชาประเทศไทยของเราต้องการศาสนาอื่นก็ไปนับถือก็ไม่ว่าเขาให้มีสักคำว่าไหวอ่างนั้นเรา แล้วก็ขาดความกล้าหาญแล้วขาดความกล้าหาญไม่ชากล้าหาญจะมียุทธ์เราเราเาเราเรื่อง่กันให้กล้าหาญแรื่องคืคงจะเป็นเรื่องของการเมืองอยากจะเอาใจคนอื่นก็ถูกอยากเอาใจเขาอยาไม่ให้กเพราะว่าขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยุตินะฮะทราบว่าขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยุติครับเพราะว่า คุณนำนวยผู้แทนสงฆกลากับคุณตุศิตกับนายทพรเทพกิตาอะไรยังยังเป็นกำลังที่จะผลักดันอยู่นะยังไม่ยุติคระะับว่าะครับครับที่ ท, ที่ที่ทราบนะยังไม่เป็นที่ยุติครับอันนี้ต้องต้องรว่ร ว, มรวมร่วมมือร่วมใจกันทั้งประเทศชาวพุทธเด็กกันแล้วก็เท่าที่กับผมไนหาเรือกันมาเนี่ยก็ต้องขอปรารภีท่านหลวงปู่แล้วก็ พระพิสุททั้งหลายฮะชาวพุทธต้องบาลามีบารามีของพระพุทธเจ้ามันเด่นอยู่แล้วน้อยก็เพีงสวดมันเด่นอยู่แล้วฝังใจก็ยังดีอันพระพุทธเจ้าเนี่ยมีผู้กีดขวางอยู่สักเคพียงใดก็ตามสร้างบาลามีเต็มเต้นมาแล้วก็โผล่ออกมาอย่างเปล่งปลั่ยเลยไม่มีใครกีดขวางเลยเช่นพระอรหันต์ก็เหมือนกันท่านเบื่อนายใครหรอแล้วก็ไม่มีใครจะกีดขวางเลยก็เป็นพระอรหันต์เต็มภูมิเลย ว่าคือยางจะมาอยาัอ่ต้องแก้ั้นงาที่นาองมีการตัดว่าไงก็ไม่สนใจได้สนใจเออสนใจอ่ะ รัควรลุงปู่พอสักควรก็ผมก็มีคลางเปิ้ลป็ติจริงๆครับที่ได้ยินลุงปู่เล่าถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยขพ้่มาพบวันนี้ก็รู้สึกมีเป็นกำลังใจอย่างมากทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าผมก็คิดในจุดตัวของผมว่าอยากจะรวบรว ม, วมพวกกำลังที่จะ ดได้เนี่ยดำเนินการต่อไปเพื่อให้ให้ปรากฏไว้ชัดว่าโฆษณาเราเป็นสำหรับกัญชาหรือในเปนพระผู้นี้แหละสิ่งที่ควรให้คะ้นเอเราไว้ให้คะ้นเอก็นำเอยียงพวกความรักใคร่กันเรียกฉันถากตินำเอยียงพราความไม่ชอบกันเรียกโทสากตินําอียงพราะเขาเรียกโมหากติ เรายัางพกกลัวเรียกพยาคติอคติไสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤติสิ่งไหนที่ดีเราก็ยืนยันว่าดีไม่เป็นอุปทานสิ่งไหนที่ดีเรารังเกียจเรามาให้ดีซะก็เป็นฉันทาคติอสิ่งไหนที่มันดีสักเพียงไหนก็ตามแต่เรามาให้ดีก็เรียกโทสะคติ แล้วขบในเรื่องนั่นไม่ออกก็เรียกว่าโมหะคติเรากลัวอิทธิพลเขาเรียกว่าพยาคติอคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤติพราะเราพระศาสด า, าสอนถูกไหมสิ่งไหนที่มันดีเราว่าดีก็เกรงว่าจะผิดใจคนอื่นมันก็ไม่ถู ก, พ ก, กพเพชรเราก็บอกว่าเพชรแหวนเราก็บอกว่าแหวนเกรงจะเพชรใจคนอื่นมันก็ไม่ถูกอันนี้ พ่อก็เป็นพ่อเต็มภูมิแม่ก็เป็นแม่เต็มภูมิเกรงจะผิดใจคนอื่นมันก็ไม่ถูกเราพูดว่าอย่างนี้อกอกใครเลื่อมใสอันไหนเมื่อแรงวันมันเลื่อมใสอุจจาระก็มันไม่เห็นมันเกรงจะ ก, กระทบ ก, กระเทือนเมื่อแรงพู่เมื่อแรงผู่เมื่อแรงพึ่ม ง, งมันกินเกนสรหรอือไม่ทาไมมันจึงไม่ มันไม่กลัวกระทบกระเทือนแมลงวันกระชั่นของใครของมันก็ไม่ควรจะโกรธให้กันเราพูดอย่างนั้นเนาะใครต้องการรับเถืออะไรก็ต้องก็ว่าซะถ้าอย่างนั้นเราสวดมนต์ก็สวดไปได้มหมดกระทบกระเทือนหมดนะพุทโธโยสัพพปานีนางอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็บอกว่าการสวดมนต์มันก็ต้องเปลี่ยนไปหมดเนี่ยเพราะเก่งจะผเหใจเขาอถูกไหม <c oughs> <c oughs> แล้วให้ความสุขเขาอยู่เมนไง เราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรื่องของใครเขามันถ้าอย่างนั้นก็ชอบเหมือนกันหมดปรก็เอาผัวเอาเมียกันเท่านั้น่ะถูกไหมเราก็ยืนยันแต่เฉพาะที่เรารักเราไม่ยืนยันนั่นอื่น่ะแต่ว่าก็เป็นของนอ ก, นอกดอกนี่เปนของในมันยังมีกว่านี้เป็นของน อ, นอกดอกอันนี้เราจะใช้ใส่ชื่อเรือนามสักเพียงใดก็ตามถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติเขารัมันก็เท่าเก่านั่นเองถูกไหม เราจะไม่เอาเข้าก็ตามถ้ามีผู้ปฏิบัติเคารพอยู่มันก็เป็นไปได้ในตัวอยู่นั้นกันมันไม่อยู่ขึ้นอยู่กับเืือกับเสียงหรอกถูกไหมหรือไม่ถูกฮะพราะจากตัวตที่เป็นกําลังตัวตที่เอาว่าให้เขารูกไห้ว่าศาสนาพุทเป็นศาสนาประจำชาติเาพวกนี้เป็นคนตัตนทีเาเขาเออ นันอย่างสูขอ้อาไะได้การนี้คือมั่งมังก่อตั้งเป็นพระญาสิเอาเขาไม่ได้การเขียนสอนสคำคำเท่านั้นทำไมจึงจะเขียนไม่ได้อืเขียนสอนคำคำกับประเทศของเราเราไม่ได้ตั้งไว้สาหรับจะ บ, บังคับโลกอืมไม่ใช่กฎหมายของโลกกฎหมายของประเท ศ, เทศถ้าเป็นกฎหมายของโลกก็เป็นเรื่องหนึ่งถูกไหมนี่กฎหมายของประเทศ ไม่ใช่กฎหมายของของของชาวโลกไม่ใช่กฎหมายของชาวโลกกฎหมายของประเทศตัางหากแล้วเอาไว้เคารพนับถือใครจะร่วงละเมิดเืไม่ร่วงก็ตามใครจะไปนับถือสิ่งอื่นก็ตามแต่ว่าเขียนว่าให้เป็นมิ่งขวัญว่าอย่างนั้นหอกเพราะไม่ใช่กฎหมายของโลกกฎหมายของประเทศของเขาชาวโลกจะมาโกรธให้มันก็ไม่ถูกถ้าจะนั่งกราบพระอย่างนี้ชาวโลกก็มาฆ่าทิ้งซัก แล้วกฎหมายของประเทศไม่ใช่กฎหมายของโลกกฎหมายที่วางไว้กลางๆใครจะไปถือศาธราอื่นก็ไม่ได้ลงโทษแต่ว่าเขียนมาเป็นมิ่งมิ่งขวัญเฉยๆมดประเทศไทยจะไปนับถือศาธราอื่นก็ตามแต่ว่าเขียวเป็นมิ่งขวัญของชาติบ้างว่าอย่างนั้นนรอถูกไหม ผู้ที่เขียนแล้วจะไม่นับถือก็อตามข็ให้เขียนบ้างว่าอย่างนั้นเนาะเช่นชุลามีระยะอย่างนี้เขาก็กินกันอยู่นี่ <un> <c oughs> ถูกไหยแล้วนึกอยากจะเอาไ้เป็นเมืองขวัญบ้าว่าอย่างนั้นเนาะทําไมยังไม่ทํากันว่าอย่างนั่นเนาะพระอารมณ์เมลาชาเราเอาเป็นเมืองขวัญแล้วแต่ว่าพระพระพุทธศาสนาเราเอาเป็นเมืองขวัญไม่ได้มันก็ไม่ถูกว่าอย่างนั่นเนาะ เอาเป็นคู่กันถ้าเป็นข้อเดียวกันสมเด็จพระบรมราชาก็ดีนี่ล่ะกวับพระพุทธศาสนาก็ดีเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยว่าเท่านั้นก็พอแล้วเอาเข้าเป็นข้อเดียวกันนี่นี่ น, นี่ถ้าไม่นมีพระบรมราชาก็ทำไม่ได้มิชุกามเชื่มาพระบรมราชากับพระพุทธศาสนาเกี่ยวเนื่องกันมา ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยเหตุฉะนั้นจึงมีในพระบาลีว่าราชาลาชาโนราชาโนราชาโนราชาโนเพศโสมาด้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จอยู่ก้าพระพันิ่นสีต้องปายตีมันมีในพระเวเนยอยู่ราชาโนราชาโรก็มีอยู่ในพระเวเนยก็มีอยู่ในข้อสองในข้อสองของวัคที่เก้าเพศโสมาติรับอนุญาตก่อน เข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสร็จอยู่ก็พระมเหสี้รงปฏตีพระพุทธศาสนาเกี่ยวยงกันว่าวิสุงคามสีมาก็ต้องให้ได้รับออกจากพระบรมราชาียก่อนจึงเป็นวิสุงคามชีมาได้มีอยู่เหมือนกันอานโนซินารินสิราสพาโตได้รับอนุญาตไม่เป็นทหารหรือตำรวจหรือจึงบวชได้พระบรมราชาทรงอนุญาตให้บวชก็จึงบวชได้ พระบ ร, ะระมราชาเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามานานแล้วจะแยกออกจากกันไม่ถูกแน่าทึ่พระพุทธศาสนาไม่สามารถเขียนว่าศาสนาพุทธเป็นเมี่งขวัญของชาวไทยมานมนานแล้วก็ไม่กล้าเขียนเท่านั้นมันก็เกินไปเราพูดไรอย่างนั้นหระถูกไหมพระพุทธศาสนาเป็นเมี่ยงขวัญ ของชาวไทยมานมนามแล้วเขียนเพียงเท่านั้นก็พออืมวางเลยครับเขียนไปแล้วเขียนไปแล้ว ลูกปูลงเือแล้วลงเขียนแล้วเอาเอาบ้านนถะครับเอาบ้านอืมเขาเขียนล้กปูลงมาเขียนแล้ว <c oughs> งา น, นก็มอบสิทธ์ที่นี่ที่นี่บางท่านก็บอกว่าพระทำไมจึงมาเป็นการบ้านการเมืองมีปัญหาสอดเข้ามาอา้าเราพระทำไมจึงไปมาเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหน เอ้าวคำสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้สอนคราวาสหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวิจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสีด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมตตสถานภิกษุสามเณรได้รับบารุงเทนี่แล้วย่อมอนุเคราะห์คราวาสด้วยสถานหก หนึ่งห้าแมกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนามใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แจม่มหกบอกทางสอนให้นี่คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายยืนหยัดอยู่ถ้าจะเรามาเอาเราไปเข้าคุกเราก็จะเอานี่เออกอ้างถ้าอย่างนั้นนวะโกวาดนักทำตีทำโช ก็ไปเผาไฟที่หวดซายอยู่ในพระไตเพลกแล้วเนี่ยอยู่ในที่ปฏิบัตินี่ทำให้ไปภาคเล่มหนึ่งเฉียนอยู่สมเด็จพระบรมสมเด็จพระมหาสมาเจ้าคัดออกมาจากพระไตเพดกเพื่อให้สมฐานะของนับธรรมรีมีอยู่เหนกัน ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามันบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในเสกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าสอนไว้บทแรกเลยจะเพิ่มเข้าก็ไม่ได้จะตัดออกก็ไม่ได้คําสอนอันนี้เป็นคําสอนพุทธศาสนาเน้อเนะี่ย mm. ด้วยไกายกรรมคือทํา อ, อะไรประกอบด้วยเมตตา ด้วยมัจจกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาที่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมทสถานหน้าที่ของคราวาสหน้าที่ของพระภิกษุสา ม, มเณรภิกษุสา ม, มเณรได้รับคำลงชะนี้แล้วย่ออนุเคราะห์อุบาสกอุบาสิกาด้วยสถานหกหนึ่งห้ามไม่กระทำความชั่วสงให้ตั้งอยู่ในความดีสมอนุเคราะห์ด้วยนําใจอันงาม สให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหกบอกทางสวรรค์ให้นี่ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังใช่ไหมพูดอยู่นี่ถือตามข้อนั้นถือตามข้อที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังน่ะข้อเถียงกันอยู่เดี๋ยวนี้ห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหกบอกทางสวรรค์ให้ทางสวรรค์คืออะไรเวทอบายมุกทางสวรรค์ ผูเล่นรามุกก็เป็นทุกข์ทุกข์หัวใจแต่ว่าผลสุดท้ายเขาจะทำอะไรก็าตามเขาเถิดเราพูดเฉยๆหรอมบ้าๆ บ, บอๆไปถึงจะเขียนว่าเป็นเป็นศาสนาประจำชาติสักเพียงใดก็าตามถ้าเขาไม่ปฏิบัติมันก็เท่าเก่านั่นเองเอมันก็ลงเอออยู่เหมือนกันละถูกไหม ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเป็นกฏเท่าเก่านั่นเองถึงจะเขียนว่าสซลารามีนัยยะมัธยปมาณการดื่มโซรามันเป็นโทษปราราธิบาตเขียนไว้สักเพียงไหนถ้าเขาไม่ปฏิบัติเป็นกฏเท่าเก่าก็อันเดียวกันถูกไหมถูกไหมอืมแต่ว่าจะเขียนไว้หน่อยก็ดีฮะฮะ ว่างแนก่กว่าจะได้อดจะได้ดูเห็นชัดๆเผื่อจะลงลืมไปบ้างเราก็นึกเห็นความขี้ขาดเกินไปเรานึกเห็นเราเสียเปรียบความขี้ขาดนี่เราจะทําดีก็ขี้ขาดแค่นี้นี่เราเสียเปรียบตอนขี้คลาดนี่แหละอันอื่นเราไม่เสียเปรียบเราจะทําดีก็ขี้ขาดนไงนี่ เราเส้อเปียบตอนนี้แหละเราจะสรรเสริญพระพุทธศาสนาก็เก่งกับเหตุชาวโลกกับบ้านเช่นกันพระพูดอย่างนั้นแ่ะถ้าอย่างนั้นเราประเทศกันไม่ได้ น, น, นี่น้าซ้ำพระบรมศาสดาสอนว่าสัตว์ในตจโลกธาตุ มันจะมาเลื่อมสปพระพุทธศาสนาเสียก่อนมันจึงจะเข้าสู่พระเนพานนั่นพระบรมศาสดาพูดถึงขนาดนั้นแล้วทามันยังหนักกว่าอั น, นี้ไปอีก มันยังหนักกว่าอันนี่ไปอีกสัตว์ทั้งหลายในแต่ลกัทจะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงจะสำสําเร็จพระสวสดาบรลสักกทาคามีนาคามีอันหันศาสนาอื่นไม่มีพระสวสดาบาลไม่มีสกกทาคามีไม่มีพระนาคามีเลยถ้าเรมศาสตาพูดเพลงเสียงในมหาปณิธานสูตรมีในมหาปณิธานสูตรอยู่แล้วในพระไตรปิฎกมันยังหนักกว่าอันนี้ไปอีกอโคเนี่ยพวกนั้นไม่เห็นเนี่ยพวกพูดแทนไม่เห็นอันนี้ หนักหนักยังมีกว่านี้อโค่เนี่หนัก น, นัผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์ผู้ใดถือศาสราอืน่นไม่น่ารกก็สัตติรัชฐานพระบรศาสตราปฏิเสธแล้ว น, นั่นมันหนักกว่ากว่านี้อโคเนี่ยไม่เห็นจำพวกนั้นมาเก็งแต่ความผิดข้อเดียวนิดเดียวเท่านี้นั่นนั่นถูกไหม พระบรมศาสดาปฏิเสธไว้ในพระไาตรปิฎกหมดแล้วถ้าไม่เชื่อก็ไปตรวจ ด, ดูสินะนัที่อื่นศาสดาอื่นไม่มีพระสวดาบันเลยมีแต่สักกาะไม่เพราะเขาหนักไปในทางโลกีหนักไปในทางวัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็ชมว่ไดอยู่แต่ไม่อยู่ใต้อู่ของอนิจจังท่านพูดอย่างนั้น ตัวของเขาก็ปัจจชนคนหนาดีๆนี่เองเขาจะได้โสดาบันมาจากประตูใดล่ะพระพุทธเจ้าเอ้ยยกตัวอย่างพระโมคคัลลาสาดีบุตรก็มาจากนที่อื่นจึงสําเร็จพลหันนั่นั่ น, นั่งอยูเราจะพูดก็เก่งเขามันก็ไม่ได้แต่เขาเอาพระพุทธลูกไปงอยร่างเท่าก็มีบางแห่งแต่เราไม่เห็นไม่ยินแต่เขาพูดแต่เราก็ไม่รับรองอืม เราจะพูดเท่านั้นมันก็เก่งจะพิษเขาก็ไม่ถูกเราพูดอย่างนั้นเนาะที่อื่นมีอยู่ท้องใบ ป, ปฏิเสธเลยมีพระโสดาบันสักตาคามีานาคามีอาหารหันมีแต่ศาสานาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีเลยพระบรมศาสดาปฏิษษเสธแลว้วะมีในพระไตรปิฎกอีกเยอด้วย น, นักกว่านี้ไปอโค่นนักกว่านี้ไปอโข โมคะลาสาที่ว่าก็มาจากสนส น, นชัยนาตบุตรมาเลื่อมใสพระอัฏฐเชจแล้วก็ะจึงสําเร็จพระสวดิวันนั่น น, น, น, นัเราไม่เอาอันโมนีออกไปอ้างมันก็ไม่ถูกถูกไห ม, มเราต้องเอาอเอาอันโมนีออกไปอ้างว่างซั์ทั้งหลายมุดตัวแดงแมลงตัวเล็กก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ออกจากมนุษย์แล้ว มาเลี่ยมสายศาสนาพุทธจึงจะเข้าสู่พระ涅槃พระน槃ในรัทติอื่นไม่มีเลยนั่นพระบรมศารีรัตด์เสีงเสียงเสีงเสลงเลยถ้าภิกษุสามเณียังอธิบายคําสอนเราไม่ได้ให้อาถานเราก็ไม่เข้าสู่พระ涅槃พระบรมสารีาัอันนี้พระพิสุสามเณีของเราเมื่อที่บนแล้วจึงเราจึงจะเข้าสู่พระ涅ะ สิงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะคิดทั้งนั้น